คู่มือชีวิตหมวดที่8การทำบุญจากหนังสือก้าวไปในบุญสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ต อ, อประยุตโตจะทาโดยทวีช่างพินิษพนอมรักเพชรเสถียรวันนิสาเมเดลแต่บุญเป็นสุขที่เข้าไปถึงเนื้อตัวของจิตใจเป็นความสุขที่เต็มอิ่ม ทำให้เกิดปีติในบุญและเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ไม่หมดนึกถึงเมื่อไรก็ใจเ อ, อิบอิ่มพองใสเรื่อยไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานเรื่องก้าวไปในบุญแก้ความเข้าใจความหมายของบุญที่แคบและเพี้ยนไปบุญกุศล น, นี้ มีทางทำให้เกิดขึ้นได้มากมายแต่ข้อสำคัญอยู่ที่จิตใจของโยมเองแต่เมื่อเราต้องการให้จิตใจพองใสอะไรจะมาช่วยทำให้พองใสได้ตอนนี้เราอาศัยพระประธานแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามีวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่จะทำให้เกิดบุญกุศลวันนี้จึงขอพูดเรื่องบุญนิดๆหน่อยๆเพราะคาว่าบุญเป็นคาสาคัญในพระพุทธศาสนา และเวลานี้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าบุญก็แคบมากหรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไปแง่ที่หนึ่งยกตัวอย่างที่ว่าบุญมีความหมายแคบลงหรือเพี้ยนไปเนี่ยเช่นเมื่อเราพูดว่าไปทำบุญทำทานโยมก็นึกว่าทำบุญคือถวายข้าวของแก่พระสงฆ์บุญก็เลยมักจะจากัดอยู่แค่ทานคือการให้ แล้วก็ต้องถวายแก่พระเท่านั้นจึงเรียกว่าบุญถ้าไปให้แก่ชาวบ้านเช่นให้แก่คนยากจนคนตกทุกข์ยากไร้เราเรียกว่าให้ทานภาษาไทยตอนหลังเนี่ยจึงเหมือนกับแยกกันระหว่างทำบุญกับให้ทานทำบุญคือถวายแก่พระให้ทานคือให้แก่ข้ารืหัดชาวบ้านโดยเฉพาะคนตกทุกข์ได้ยากเมื่อเพียนไปอย่างนี้นา น, น, าน คงต้องมาทบทวนกันดูเพราะความหมายที่เพี้ยนไปเนี่ยกลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทียอมรับกันไปจนคิดว่าถูกต้องด้วยซ้ำแต่พอตรวจสอบด้วยหลักพระศาสนาแล้วก็ไม่จริงเพราะว่าทานนั้นเป็นคำกลางกลางการถวายของแกพระที่เราเรียกว่าทาบุญนั้นเมื่อว่าเป็นภาษาบาลีจะเห็นชัดว่าท่านเรียกว่าทานทั้งนั้น แม้แต่ทาบุญอย่างใหญ่ที่มีการถวายของแก่พระมากๆเช่นถวายแก่สงฆ์ก็เรียกว่าสังฆทานทาบุญทอดกระถินก็เรียกว่ากระถินทานทาบุญทอดผ้าป่าก็เป็นบางสุกุลจีวรทานไม่ว่าถวายอะไรก็เป็นทานทั้งนั้นถวายสิ่งก่อสร้างในวัดจนถวายทั้งวัดก็เรียกเสนาสนะทานหรือวิหารทานทานทั้งนั้น ในแง่นี้จะต้องจำไว้ว่าทานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำบุญเมื่อเราพูดว่าทำบุญคือถวายของพระบุญก็เลยแคบลงมาเหลือแค่ทานอย่างเดียวลืมนึกไปว่ายังมีวิธีทาบุญอื่นๆอีกหลายอย่างนี่ก็เป็นแง่หนึ่งหลักแง่ที่สองก็คือความแคบในแง่ที่มาคิดว่าถ้าให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากหรือแกชาวบ้านก็เป็นทานแล้ว ก็เข้าใจเลยไปว่าไม่เป็นบุญก็จะยุ่งกันใหญ่ที่จริงไม่ว่าให้แกใครก็เป็นบุญทั้งนั้นจะต่างกันก็เพียงว่าบุญมากบุญน้อยเท่านั้นเองการวัดว่าบุญมากบุญน้อยเช่นในเรื่องทานนี้ท่านมีเกณฑ์หรือมีหลักสาคัญวัดอยู่แล้วว่า 1. ตัวผู้ให้คือทายกทายิกามีเจตนาอย่างไร 2. ผู้รับคือปฏิคาหกมีคุณความดีแค่ไหน 3. วัตถุหรือของที่ให้คือทายธรรมบริสุทธ์สมควรเป็นประโยชน์เพียงใดคำว่าทายธรรมมาจากภาษาบาลีว่าเทยยธรรมะแปลว่าสิ่งที่จะพึงให้หรือของที่ควรให้ ถ้าปฏิคาหกคือผู้รับเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดีก็เป็นบุญมากขึ้นถ้าปฏิฆาหกเป็นคนไม่มีศีลเช่นเป็นโจรผู้ร้ายเราก็ได้บุญน้อยเราดีไม่ดีให้ไปแล้วเขากลับอาศัยผลจากของที่เราให้เช่นได้อาหารไปกินแล้วร่างกายแข็งแรงก็ยิ่งไปทําการร้ายได้มากขึ้นกลับเกิดโทษวัตถุสิ่งของที่ถวาย ถ้าบริสุทธ์ได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าแก่ผู้ที่รับไปสมควรหรือเหมาะสมแก่ผู้รับนั้นเช่นถวายจีวรแก่พระสงฆ์แต่ให้เสื้อแก่เครือขันเป็นต้นก็เป็นบุญมากส่วนตัวผู้ให้ก็ต้องมีเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจดียิ่งถ้าเจตนานั้นประกอบด้วยปัญญาก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้น ก็ยิ่งได้บุญมากเป็นอันว่าการให้เป็นทานทั้งสิน้นไม่ว่าจะถวายแก่พระหรือจะให้แก่ขรหัดชาวบ้านจึงต้องมาทบทวนความหมายกันใหม่ว่าหนึ่งได้บุญไม่ใช่เฉพาะถวายแก่พระ 2. บุญไม่ใช่แค่ทาน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 นอกจากทานเป็นอย่างที่หนึ่งแล้วสองศีลเราก็ได้รักษาไปด้วยคือเราต้องสํารวมกายวาจาและอยู่ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีเรื่องมารยาทอากับกิริยาและการสํารวมวาจาต่างๆนี่เป็นศีลทั้งสิน้นแล้เวลานั้นเรางดเว้นความไม่สุจริตทางกายวาจาความไม่เรียบร้อยการเบียดเบียนทุกอย่างทางกายวาจาเราละเว้นหมด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 คือถวายทานอย่างเดียวแต่ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทาบุญที่แท้จริงไปทาบุญอย่างเดียวแต่ได้กลับมาสามอย่างคราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองว่าทานของเราได้ผลสมบูรณ์ไหมเริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจว่าเจตนาของเราดีไหม เจตนานั้นท่านยังแยกออกไปอีกเป็นสาคือ 1. บุพเจตนาเจตนาก่อนให้คือตั้งแต่ตอนแรกเริ่มต้นก็ตั้งใจดีมีความเลื่อมใสจิตใจเบิกบานและตั้งใจจริงแข็งแรงมีศรัทธามากต่อไป 2. มุญจญาเจตนาขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทาด้วยความเบิกบานผ่องใสมีปัญญารู้เข้าใจ 3. อัปราปะระเจตนาถวายไปแล้วหลังจากนั้นระลึกขึ้นเมื่อไรจิตใจก็เอิบอิ่มผ่องใสว่าที่เราทำไปนี้ดีแล้วทานนั้นเกิดผลเป็นประโยชน์เช่นได้ถวายบำรุงพระศาสนาประสงค์จะได้มีกำลัง แล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติศาสนาคิจช่วยให้พระศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เอิบอิ่มปลื้มใจท่านใช้คำว่าอนุสรด้วยสมนัสถ้าโยมอนุสรด้วยสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ทำบุญไปแล้วโยมก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุสร น, นั่นละ่ะคือระลึกขึ้นมาคราวไหนก็ได้บุญเพิ่มคราวนั้น นี่เกิดเจตนาสามการซึ่งเป็นเรื่องสำหรับทายกส่วนปฏิคา6คือผู้รับถ้าเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมต่างๆมากก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะจะได้เกิดประโยชน์มากเช่นพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลทรงตรายสิกขาท่านก็สามารถทำให้ทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยให้ธรรมะแผ่ขยายไปในสังคมให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและดำรงพระศาสนาได้จริงส่วนทยธรรมคือวัตถุที่ถวายก็ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตสมควรหรือเหมาะสมแก่ผู้รับและใช้ได้เป็นประโยชน์นี้เป็นองค์ประกอบต่างๆที่จะใช้พิจารณาตรวจสอบและต้องพยายามอย่างที่พูดไปแล้วว่า แม้ว่าเราจะไปทําทานอย่างเดียวก็ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนามาด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทําบุญกันจริงๆชนิดพูดได้เต็มปากมิฉะนั้นโยมก็จะได้แค่ไปถวายทานเฉยๆแล้วก็ไปเรียกอ้อมแอมว่าทําบุญเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปวัดและบอกว่าฉันไปทําบุญมาก็จะต้องตรวจดูด้วยว่าเอที่จริงเราได้แค่ทานหรือเปล่า หรือว่าเราได้บุญครบเป็นบุญเต็มจริงๆถ้าเป็นบุญก็คือได้ครบทั้งสามประการทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถ้าจะทำบุญก็ควรทำให้ครบทุกความหมาย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 ก็คือกำจัดสิ่งเศร้ามองที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลายออกไปเริ่มตั้งแต่ทานก็กำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวความมีใจคับแคบตรณีห่วงแหนความยึดติดลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของทำให้จิตใจเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวต่อไปในคุณความดีอย่างอื่นหรือเปิดช่องให้นำเอาคุณสมบัติอื่นๆมาใส่เพิ่มแก่ชีวิตได้ทาให้ชีวิตจิตใจเฟื่องฟูขึ้น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 ก็เป็นคนที่น่าเชื่อชูน่ายกย่องแล้วก็ทำให้เกิดผลที่น่าเชื่อชูบูชาด้วยไปไปมามาเดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไปขอพูดเพียงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่จริงศั์เหล่านี้มีความหมายมากหลายประการความหมายอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขพอทำบุญแล้วจิตใจก็สุขเอิบอิ่มเป็นความสุขที่ประนีตเลืกซึ้ง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 และเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ไม่หมดนึกถึงเมื่อไรก็ใจเอิบอิ่มพ่องใสเรื่อยไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานอีกประการหนึ่งบุญเป็นสิ่งที่พึงศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญคำว่าศึกษาก็คือให้ฝึกขึ้นมานั่นเองหมายความว่าบุญนี้เราต้องทำให้เพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อย อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นคุณสมบัติมันเป็นความดีทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างรวมไปถึงทางปัญญาเราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมาเมื่อฝึกกายวาจาจิตใจและปัญญาชีวิตของเราก็ประณีตงอกงามขึ้นเรื่อยเรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยอย่าระยุติหรือหยุดอยู่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 นี่เป็นความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญนำมาพูดพอให้โยมได้เห็นแนวทางความจริงนั้นแต่ละอย่างยังสามารถขยายออกไปได้มากแต่ให้เห็นเขาว่าตั้งต้นอย่างนี้ผลทางที่จะทำบุญมีอยู่มากมายได้บอกเมื่อกี้ว่าบุญนั้น มีมากการทำบุญไม่ใช่เฉพาะทานเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุดว่ามีสามคือบุญกิริยาวัตถุสามได้แก่หนึ่งทานสองศีล ส, สาภาวนาอย่างที่พูดไว้ตอนต้นแล้วทีนี้ต่อมาพระอัฏฐกถาจารย์คือพระอาจารย์ผู้เรียบเรียงคำภีอธิบายความหมายของพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก คงอยากจะให้ญาติโยมเห็นตัวอย่างมากๆท่านจึงขยายความให้กว้างออกไปอีกเพื่อเห็นช่องทางในการทำบุญเพิ่มขึ้นท่านจึงเพิ่มเข้าไปอีกเจดข้อรวมเป็นบุญกิริยาวัตถุ1ิบซึ่งขอนำมาทบทวนกับญาติโยมในฐานะที่เป็นผู้ทำบุญอยู่เสมอต่อจากบุญสาคือทานศีลภาวนาข้อที่สี่คืออปัจจยนะใหม่ทำบุญด้วยการให้ความเคารพ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 ให้เราอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นถ้าสังคมของเราไม่มีการให้เกียตรติไม่มีความเคารพกันก็จะวุ่นวายมากจิตใจก็แข็งกระด้างก้าวร้าวกระทบกระทั่งกันเรื่อยแต่พอเรามีความเคารพให้เกียตรติแก่กันมีความสุภาพอ่อนโยนจิตใจของเราก็นุ่มนวลการเป็นอยู่ร่วมกันก็ดีบรรยากาศก็ดีก็จะงดงามเป็นสุขบุญก็เกิดขึ้น ข้อที่ห้าวายาวัจหมายทำบุญด้วยการช่วยเหลือรับใช้บริการคนไม่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าทำบุญไม่ได้วา ย, ยาวัจหมายกุศลเนี่ยทำได้ทุกคนอย่างสมัยก่อนนี้ก็นิยมมาลงแรงช่วยกันในเวลามีงานส่นรวมโดยเฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดเวลามีงานวัดชาวบ้านก็มาลงแรงช่วยเหลือรับใช้ ทำอะไรต่ออะไรคนละอย่างสองอย่างใหกิจกรรมส่วนรวมที่วัดนั้นสำเร็จด้วยดีวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหลายท่านมาทำบุญด้วยวิ ย, ยาวัจจมายกุศลชนิดพรนานาได้ไม่มีที่สิ้นสุดคือมาช่วยเหลือรับใช้บริการบาเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเรือทหารทั้งหลายหรือว่าเด็กๆนักเรียนตลอดจนญาติโยมก็มาทากันทั้งนั้น ย้อนหลังไปก่อนวันนี้ก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้มาทำความสะอาดมาทำถนนเป็นต้นตลอดจนมาช่วยถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นวั ย, ยา ว, วัจไมัยกุศลพูดสั้นๆว่ามาช่วยกันคือเจตนาที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือรับใช้บริการทากิจส่วนรวมให้สำเร็จเป็นบุญอีกแบบหนึ่งข้อที่6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 ข้อที่7ปัตตานุโมทนาใหม่ทำบุญด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญคือพลอยชื่นชมยินดีหรือแสดงความยินดียอมรับเห็นชอบในการทําความดีคือในการทําบุญของผู้อื่นเมื่อเขาทําบุญทําความดีเราก็ปลอยชื่นใจอนุโมทนาด้วยเช่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาญาติโยมบางท่านไปทําบุญที่วัด ก็อาจจะเดินไปผ่านบ้านโน้นบ้านนี้พอเดินผ่านบ้านนี้เห็นคนที่รู้จักกันก็บอกว่าฉันไปทำบุญมานะแบ่งบุญให้ด้วยบ้านที่ได้ฟังก็บอกว่าขอโมทนาด้วยนะนี่คือคติปัตตานุโมทนาซึ่งเป็นการฝึกนิสัยจิตใจให้เราพลอยยินดีในการทำความดีของคนอื่นไม่ขึงเครียดริษยาหรือหมั่นไส แต่ให้มีจิตใจชื่นบานด้วยการเห็นคนอื่นทำความดีเมื่อเราปล่อยชื่นบานอนุโมทนาด้วยเราก็ได้บุญด้วยนี่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาทำบุญต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญาข้อที่8ธรรมะสวนสใหม่ ทำบุญด้วยการฟังธรรมธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทําให้เรามีปัญญาทําให้เรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติและดำเนินชีวิตที่ดีถ้าเราไม่มีการฟังธรรมไม่มีการอ่านหนังสือธรรมะเป็นต้นความก้าวหน้าในธรรมของเราอาจจะชะงักแล้วการที่จะเจริญในบุญก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องมีข้อนี้มาช่วย ท่านจึงสอนให้มีธรรมะสวณนาใหม่คือทำบุญด้วยการฟังธรรมซึ่งจะทำให้รู้หลักมองเห็นช่องทางแม้แต่ในการทำบุญเพิ่มขึ้นอีกข้อที่9ธรรมะเทศนาใหม่ทำบุญด้วยการแสดงธรรมการแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นบุญแต่ในเวลาแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟัง ต้องตั้งใจให้ถูกต้องหากว่าท่านมีเจตนาหาลาบหาเสียงถือว่าเจตนาไม่ดีมุ่งที่ผลส่วนตัวจะไม่มีผลมากแต่ถ้าตั้งเจตนาว่าเราจะแสดงธรรมไปเพื่อให้โยมได้รู้เข้าใจถูกต้องให้มีสัมมาทิฏฐิให้โยมได้รับประโยชน์ให้โยมได้พัฒนาชีวิตขึ้นไปผู้ที่แสดงธรรมก็ได้บุญด้วยถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทาบุญข้อธรรมเทศนาใหม่นี้ได้โดยนำธรรมะไปบอกไปเผื่อแผ่ไปสอนลูกสอนหลานให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เขาเจริญในทานศีลภาวนาด้วยเริ่มตั้งแต่ไปแนะนำในครอบครัวของตัวเองทาบุญกับลูกกับหลานก็ได้ด้วยธรรมเทศนาใหมาน่นี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากหรือเขาไม่เคยสนใจเราก็ได้ฝึกตัวเอง หาทางที่จะสอนที่จะแนะนำอธิบายให้ได้ผลทำให้เขามีปัญญาทำให้เขาทำดีเป็นคนดีได้ก็ยิ่งได้บุญมากข้อที่สิบทิฏฐุชุกกรรมทําบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรงคือให้ถูกต้องความเห็นถูกต้องเนี่ยต้องทำกันอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไร ควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างว่าเราทำด้วยความรู้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเช่นเมื่อทำทานก็พิจารณาว่าเราทำด้วยความเข้าใจถูกต้องไหมเรื่องนี้เป็นไปได้มากว่าโยมหลายท่านอาจจะทำด้วยความเข้าใจผิดอยู่ก็ได้ไม่ว่าอะไรเช่นอย่างรักษาศีลบางทีก็รักษาไปตามตัวบทพยัญชนะหรือตามที่ยึดถือกันมาไม่เข้าใจจริง เมื่อเราไปฟังธรรมเราก็มาปรับความเห็นของตัวให้ถูกต้องการทำบุญข้ออื่นๆก็ปลอยถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ถูกชุกกรรมหรือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญต้องพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องประกอบอยู่ทั้งหมดนี้รวมเป็นสิบข้อ แต่ในสิบข้อนี้ที่เป็นหลักก็คือทานศีลภาวนาส่วนที่เติมมาเจข้อนั้นเป็นการขยายจากสมข้อต้นเพื่อให้เห็นความหมายและช่องทางที่จะทำบุญเพิ่มขึ้นบุญที่แท้ แผ่ความสุขออกไปให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคมข้อที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นอปจายนะไม่ก็ดีวายาวจัจนะไมก็ดีอยู่ในหมวดศีลคือการที่มีความสุภาพอ่อนโยนนบไหว้ให้เกียรติแก่กันและการช่วยเหลือรับใช้บริการก็เป็นเรื่องด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม จึงเป็นเรื่องของศีลจัดอยู่ในหมวดศีลตอนนี้เรียกว่าสงเคราะห์คือจัดประเภทต่อไปปฏิทานมะการให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมบุญนี่จัดอยู่ในทานจะเห็นว่าทานมีความหมายกว้างไม่ใช่เฉพาะให้ของเท่านั้นแต่การให้ความมีส่วนร่วมในการทําความดี หรือให้โอกาสผู้อื่นทำความดีก็เป็นบุญเป็นการให้ทานชนิดหนึ่งเหมือนกันรวมทั้งปัตตานุโมทนาอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำก็อยู่ในหมวดทานด้วยต่อไปข้อ8ธรรมสวนาใหม่ฟังธรรมก็ดีข้อ9ธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมแก่ผู้อื่นก็ดีรวมอยู่ในข้อสคือภาวนาใหม่ เราเป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาโดยเฉพาะปัญญาซึ่งจะไปส่งผลแก่ข้อสุดท้ายด้วยข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกกรรมท่านบอกว่าเข้ากับทุกข้อเวลาทําบุญทุกอย่างให้มีทิฏฐุชุ ก, กรรมประกอบคือมีความเห็นที่ถูกต้องด้วยมิฉะนั้นบุญของเราก็จะบกพร่องเพราะอะไรเพราะบางทีเวลาทาบุญนั้น ใจของเราซีกหนึ่งได้บุญแต่อีกซีกหนึ่งมีโลภะเป็นต้นปนอยู่นึกถึงบุญแต่ใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ผลตอบแทนอย่างโน้อนอย่างนี้อย่างเนี้บุญก็ได้แต่บาปก็ได้ด้วยคือมีโลภะประกอบอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเหมือนกันแต่ถ้าเรามีทิฏฐุชุกกรรมประกอบอยู่คอยทำความเห็นให้ตรงก็จะแก้ปัญหานี้ได้ คือทำบุญด้วยความเข้าใจว่าทานนี้ทำเพื่ออะไรเมื่อรู้เข้าใจว่าทานทำเพื่ออะไรแล้วความเห็นของเราถูกต้องบุญของเราก็สมบูรณ์แล้วบุญนั้นจะมีความหมายที่ครบกายวาจาจิตปัญญากายก็ทำชัดอยู่แล้ววาจาก็เปล่งเช่นชักชวนกันปรึกษากันจิตก็สงบผ่องใส มีเจตนาประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้นปัญญาก็มีความรู้เข้าใจว่าสิ่งที่ตนทาเนี่ยทำเพื่ออะไรยิ่งถ้ามองเห็นความหมายและประโยชน์ชัดเจนแล้วก็จะยิ่งมีจิตใจกว้างขวางและบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มอย่างเวลาทาทานเนี่ยเรารู้เข้าใจมองเห็นว่าที่เราถวายพัฒตาหารและถวายทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ท่านมีหน้าที่อะไรโยมลองถามตัวเองแล้วก็มองเห็นว่าพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่เล่าเรียนพระธรรมวิัยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมวิไนที่ได้เล่าเรียนนั้นแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่ธรรมอ๋อท่านมีหน้าที่ใหญ่สามอย่างนี้การที่เราจะถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์นี้ก็เพื่อให้ท่านมีกำลังไปทำศาสนาคิจ คือทำหน้าที่สามอย่างนั้นเมื่อท่านทําหน้าที่สามอย่างนั้นตัวท่านเองก็เจริญงอกงามในไตรสิกขาด้วยธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เรียนมาก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกว้างขวางออกไปด้วยแล้วเป็นอย่างไรพระศาสนาของเราก็อยู่ได้การที่เราทําบุญนี้จึงเป็นการช่วยดํารงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงถึงตอนนี้โยมก็รู้ว่า บุญของเราไม่ได้อยู่เฉพาะแค่พระองค์ที่เราถวายเท่านั้นแต่บุญไปถึงพระศาสนาทั้งหมดเมื่อพระศาสนาอยู่ได้ธรรมะก็อยู่ได้แล้วธรรมะก็เผยแพร่ออกไปก็เกิดเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเมื่อประชาชนได้รู้เข้าใจประพฤติปฏิบัติสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขสังคมที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ธรรมกันอยู่บ้าง อย่างน้อยก็ยังพอประคับประคองกันไปเมื่อโยมนึกว่าทานที่เราถวายนี้ให้แก่พระองค์เดียวนี้มีผลไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วสังคมทั้งหมดด้วยเมื่อมองด้วยความเข้าใจอย่างนี้ใจก็ยิ่งปลอดโปร่งกว้างขวางมีปิติอิ่มใจนึกขึ้นมาเมื่อไรก็ยิ่งมีความสุขนี่แหละที่เรียกว่าทิฏฐุชุกกรรม เกิดจากมีปัญญาประกอบเข้ามาบุญก็ยิงกว้างขวางยิ่งกว่านั้นต่อไปมันจะเป็นปัจจัยให้เราเห็นทางทาบุญที่ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าทาบุญอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากว้างขวางโยมก็จะได้วิจัยทานคือทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมาด้วยคือพิจารณาไตรตรองแล้วจึงให้ทานทั้งหมดนี้ก็ขอนามากล่าวให้โยมได้ฟัง ในเรื่องวิธีทำบุญซึ่งที่จริงไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีเรื่องที่ควรทราบอีกมากแต่เราฟังกันไปทีละน้อยทีละน้อยก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทำบุญมากขึ้นทุกทีทุกทีโยมทำบุญแล้วพระก็อนุโมทนา แต่ถโยมทาบุญเพราะพระชวนอาจจะเสี่ยงต่ออเนสนาเวลาโยมทาบุญเสร็จแล้วพระก็จะอนุโมทนาที่ว่าอนุโมทนาก็คือแสดงความพลอยยินดีกับโยมที่ได้ทำบุญเพราะโยมทาดีงามถูกต้องแล้วพระก็ยอมรับหรือแสดงความเห็นชอบในการอนุโมทนานั้นพระก็จะบอกว่า บุญที่ทํานี้เกิดผลเกิดอนิสงค์อย่างไรทานมีผลอย่างไรศีลมีผลอย่างไรภาวนามีผลอย่างไรเราเรียกสั้นๆว่าอนุมโมทนาแต่อนุมโมทนานี้พระจะพูดเมื่อยมทำแล้วว่าที่ยอมทำจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้มีผลดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงอนิสงค์ของบุญไว้ ความหมายว่าบุญประเภททานก็ดีบุญประเภทศีลก็ดีบุญประเภทภาวนาก็ดีพระองค์ได้แสดงอนิสงส์ไว้อนิสงส์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเน้นประโยชน์ที่มองเห็นก่อนแล้วจึงลงท้ายได้ผลในภพหน้าว่าตายแล้วไปสวรรค์เช่นในเรื่องศีลพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนิสงส์ของศีลห้าว่าหนึ่งคนที่มีศีล ใา่ความไม่ประมาทจะทำให้เกิดโภคะได้มากคนที่ไม่มีศีลอย่างคนที่เต็มไปด้วยอบายมุกย่อมปล่อยชีวิตตกต่ำมัวหมกมุนวุ่นวายมัวเมาในเรื่องของสิ่งเหลวไหลจึงไม่เอาใจใส่ไม่ขยันทำมาหากินเรียกว่าตกอยู่ในความประมาทก็เสื่อมทรัพย์อับชีวิตแต่คนมีศีลเว้นจากทุจริต เว้นจากอบายมุกและเรื่องชั่วช้าเสียหายเมื่อมีความไม่ประมาทก็ขยันหมั่นเพียรทำการงานใจอยู่กับการประกอบอาชีพก็ทำให้เกิดโภคะได้มาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามก็ระบือไปคนที่ประพฤติดีมีศีลมีความสุจริตคนก็นิยมชมชอบยิ่งสังคมปัจจุบันนี้ เราถือเป็นสำคัญมากว่าในบ้านในเมืองนี้ทำอย่างไรจะหาคนที่มีศีลคือคนสุจริตมาบริหารบ้านเมืองถ้าคนไหนมีศีลสุจริตมีความบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์ก็ได้กิตติศัพดีไปด้านหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดอย่างน้อยด้านศีลก็ได้กิตติศัพเป็นเครื่องประดับรองรับตัวเองขึ้นมาเป็นฐานที่สาคัญส ความมีศีลทำให้มีความกล้ากล้าถ้าเรามีศีลเป็นคนประพฤติซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะเข้าสมาคมไหนก็มีความกล้ากล้าไม่กลั่นครา้ 4. เวลาตายก็มีสติไม่หลงตายต่อจากนั้นข้อที่หสุดท้ายตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ อ น, นิสงฆ์ห้าข้อของความมีศีล น, นี้เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงอ น, นิสง์แบบนี้พระก็อาจจะเอามาเทศหรือพูดขยายให้โยมฟังว่าทำบุญแล้วเกิดผลอะไรมีอ น, นิสงฆ์อย่างไรก็ทำให้โยมมีจิตใจชื่นบานผ่องใสบุญก็จะมากขึ้นเพราะเกิดความเข้าใจมีปัญญาประกอบด้วยแต่ถ้าพระไปพูดก่อนคือไปพูดให้โยมทาบุญ โดยชวนว่าโยมทำโน่นทำนั่นที่นี่แล้วจะได้ผลมากมายอย่างนี้อย่างนี้ชักเข้าหาตัวก็กลับตรงกันข้ามคือถ้าโยมทำบุญก่อนแล้วพระพูดถึงผลดีทีหลังนี่เป็นอนุโมทนาแต่ถ้าพระพูดก่อนเพื่อให้โยมถวายก็กลายเป็นเสียงต่ออเนษนาอเนษนาแปล ว, ว่าการสแสวงหาลาบหรือหาเลี้ยงชีพโดยทางไม่ถูกต้อง ทางพระถือว่าเป็นมิจฉาชีพคำว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤรืหัดแต่สําหรับพระมิจฉาชีพก็ได้แก่การกระทาจำพวกที่เรียกว่าอเนสนาเช่นพูดล่อพูดจูงหรือเรียบเคียงให้โยมมาถวายของหรือบริจาคอะไรอย่างนี้เสี่ยงมากเพราะฉะนั้นก็ใช้คำสั้นๆว่าถ้าพูดทีหลังเป็นอนุโมทนา ถ้าพูดก่อนเสี่ยงต่ออเนสนาตามปกติแล้วพระได้แต่อนุโมทนาม่ยมทำบุญแล้วอันนี้โยมควรทราบไว้ทำบุญทำที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าทำอะไรถ้าทำเป็นก็ได้บุญ <_ H our> เวลาทำบุญเราสามารถทำทั้งสามอย่างพร้อมกันอย่างที่ว่าแล้วซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าต้องทำเฉพาะทานหรือเฉพาะศีลหรือเฉพาะภาวนาควรทำทีเดียวพร้อมสามอย่างเลยอย่างที่ย้ำไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า โยมมาถวายทานที่วัดอย่าให้ได้แต่ทานอย่างเดียวต้องให้ได้ศีลได้ภาวนาด้วยพร้อมกันหมดเราจึงจะพูดได้เต็มปากว่าทำบุญมิฉะนั้นเราก็ได้แค่ส่วนหนึ่งของบุญคือทานเท่านั้นไม่ว่าทำอะไรก็ทำบุญสามอย่างได้พร้อมกันไม่เฉพาะไปถวายทานที่วัดแม้แต่ในการประกอบการงานท่านยังอธิบายไว้เลยว่าอาชีพการงานทั้งหลายที่ญาติโยมทากันนี้ ก็ทำบุญไปด้วยพร้อมกันทั้งสมอย่างได้เช่นในการทำอาชีพการงานนั้นพอได้เงินโยมก็คิดตั้งใจขึ้นมาว่าโอ้นี่เราได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วเราจะเอาทรัพย์นี้ส่วนหนึ่งไปให้ทานทำบุญกุศลช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาพอคิดอย่างเนี้จิตใจดีงามผ่องใสท่านเรียกว่าทานเจตนาเกิดขึ้น ขณะทำอาชีพอยู่นั้นก็ได้ทำทานไปด้วยเวลาทำการงานนั้นทำด้วยความตั้งใจให้เป็นไปโดยสุจริตทำงานของเราให้ตรงต่อหน้าที่ของอาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณทำด้วยความตั้งใจตรงตามหน้าที่ของตนโดยสัตย์สุจริตเวลานั้นก็เรียกว่าได้รักษาศีลเวลาทำงานนั้น ฝึกใจของตัวเองไปด้วยมีความเพียรพยายามมีสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบให้มีสติแม้จะมีอารมณ์กระทบกระทั่งเข้ามารบ ก, กวนก็ฝึกใจให้สงบมั่นคงได้รักษาเมตตาไมตรีและความมีใจผ่องใสเอาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทำภาวนาไปในตัวภาวนาอย่างนี้เป็นส่วนจิตสูงขึ้นไปอีก ยังสามารถทำภาวนาในส่วนปัญญาด้วยคือทำงานด้วยวิจรารณญาณพิจรารณาไตรตรองเหตุผลที่จะให้ได้ผลดีว่าทำงานอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงสูงขึ้นไปอีกในภาวนาส่วนปัญญานั้นเมื่อทำงานไปมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของเหตุการณ์ก็ดีของผู้คนที่พบเห็นเกี่ยวข้องก็ดี รู้จักพิจารณารู้จักมนานสิการก็เกิดความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้นมองโลกด้วยความเข้าใจรู้เท่าทันและวางท่าทีได้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นคุณหมอต้องสัมพันธ์กับคนไข้มองคนไข้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นน่าบึ้งคนนี้น่ายิ้มคนนี้พูดไปแล้วเข้าใจดีคนนี้พูดไปแล้วไม่เอาไหน คนนั้นกำลังใจเข้มแข็งดีคนนี้ไม่มีกำลังใจเราก็ได้รู้เห็นชีวิตและอาการของผู้คนที่เป็นไปต่างๆเมื่อรู้จักมองคือมองเป็นประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสพบเห็นไม่มองในแง่เป็นอารมณ์ที่มากระทบตัวตนก็เกิดความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้ ในจิตใจแทนที่จะเกิดความรู้สึกไม่ดีก็เกิดปัญญาทาให้วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายได้ปัญญาภาวนาอีกอย่างเป็นผู้สื่อข่าวนี่ก็ชัดเมื่อมาที่วัดหรือไปหาข่าวที่ไหนหนึ่งทำด้วยความตั้งใจว่าเราจะเผยแพร่ข่าวสารคือให้ข่าวสารหรือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เมื่อตั้งใจดีอย่างนี้ก็เป็นทานคือไม่ใช่คิดแต่เพียงว่าเราจะมาทำอาชีพของเราวันนี้จะได้เงินเท่าไหร่ทำอย่างไรจะได้เงินมากๆถ้าคิดแบบนั้นอย่างเดียวบุญก็ไม่เกิดแต่ในเวลาทำงานถ้าเรามีจิตใจเกื้อกูลหวังดีต่อผู้อื่นโดยตั้งใจว่าเราจะหาข่าวสารให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รู้ข้อมูลมีปัญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอย่างนี้ข้อหนึ่งคือทานมาแล้ว 2. ทํทำหน้าที่ของเราโดยซื่อสัตย์สุจริตเราจะลงข่าวให้ถูกต้องให้ตรงตามความเป็นจริงไม่ให้มีการบิดเบือนไม่ให้ผิดพลาดจะทำโดยสุจริตนี่ศีลมาแล้ว 3. ต่อไปเวลาเราไปทำข่าวเนี่ย อาจจะมีกระทบกระทั่งคนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อาจจะไม่พอใจแต่ไม่ว่าจะมีอะไรกระทบกระทั่งมาเราจะฝึกใจของเราให้มั่นคงไม่วู่วามถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งมั่นคงได้รับกระทบได้ทุกอย่างสามารถตั้งตัวอยู่ในสติที่มั่นคงดํารงกิริยาอาการที่ดีไว้ได้ที่เราได้แล้วนะภาวนาด้านจิต ส่วนปัญญาภาวนาอย่างสำคัญที่ผู้สื่อข่าวมีโอกาสจะได้มากดูเหมือนจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆก็คือนักข่าวนั้นได้พบเห็นผู้คนมากมายต่างพวกต่างหมู่ทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพมีนิสัยใจคอต่างๆกันพฤติกรรมต่างๆกันมีความดีความชั่วไม่เหมือนกันความคิดเห็นก็ต่างกันและเหตุการณ์ก็แปลกๆมากมาย ซึ่งเ้ารู้จักไตรตรองพิจารณามองด้วยท่าทีที่ถูกต้องก็จะทาให้เข้าใจผู้คนทาให้มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ทำให้สามารถวางใจต่อสิ่งต่างๆได้ดีจิตใจจะโปรงโล่งเป็นอิสระซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตามที่ว่ามานี้ผู้สื่อข่าวจึงได้ทำทั้งทานทั้งศีลและภาวนา เป็นอันว่าที่พระท่านพูดไว้ทางที่จะให้ทานมีเยอะเรื่องบุญก็มากมายครอบคลุมไปหมดรวมทั้งคำว่าคุณภาพชีวิตก็อยู่ในบุญหมดคนโบราณจึงไม่ต้องหาคำอะไรมาพูดเขาใช้คำเดียวว่าบุญก็จบเลยมันคลุมหมดทุกอย่างฉะนั้นข้อสำคัญอยู่ที่พวกเราเองอย่าไปทำให้มันแคบเวลานี้คำว่าบุญ มีความหมายแคบลงเลือนิดเดียวและตอนนี้เมื่อทำด้วยปัญญามีความเข้าใจความหมายของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น